สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพจน์คำสุภาษิตครั้งที่หกเรื่องคนสามประเภทที่ต้องกลับใจพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบสามนะครับสี่ข้อด้วยกันสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบสามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมืองเธอร้องออกมาที่บนกำแพงเธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองว่าคนข่าวเอ๋ยเจ้าจะรักความข่าวไปนานสักเท่าใดคนมักยเยาะเย้ยเอ๋ยเจ้าจะปิติยินดีในการยเยอะเย้ยนานสักเท่าใดคนโง่เอ๋ยเจ้าจะเกลียดความรู้นานสักเท่าใดจงมาสนใจในคําตักเตือนของเรานี่แน่ เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าคนสามประเภทที่ต้องกลับใจนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าในข้อที่ยี่สิบนั้นผู้เขียนสุภาษิตได้เปรียบปัญญาเป็นเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งครับเขาใช้คำว่าเธอเหมือนกับปัญญานั่นเป็นครู เป็นบรมครูที่สอนชีวิตให้กับลูกหลานอิสราเอลเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษตินั้นเราก็ต้องคิดว่าปัญญานะครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นบรมครูที่สอนให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตและทักษะชีวิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตนั่นเองเราจะเห็นว่าปัญญาร้องเรียกอยู่อยู่ที่ถนนเป่งเสียง อยู่ที่ลานเมืองร้องออกมาที่บนกำแพงเธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองปัญญานั้นเป็นเหมือนบุคคลและกำลังพูดและร้องเรียกความสนใจตามสถานที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะเป็นการเปล่าประกาศครับให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนจาเป็นที่ต้องกับใจมาหาปัญญานั่นเอง กับใจมาสู่บรมครูที่จะถ่ายทอดทักษะชีวิตที่เชี่ยวชาญให้กับเขาเราเห็นว่านี่คือเสียงเรียกร้องครับพระกังปีบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาขอให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตของพวกเราในขณะเดียวกันครับปัญญานั้นก็ได้กล่าว กับคนสามประเภทที่ต้องกลับใจคนประเภทแรกก็คือคนเขา่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า the simple, on r a i v e คนประเภทที่สองก็คือพวกที่มักเยาะเ ย, ย้ยหรือชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นภาษาอังกฤษใช้คําว่า scorers n นะครับหรือ mockers ประเภทที่สามก็คือคนโง่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า the fools หรือ obstinate นะครับ O B S T I N A T E, <c oughs> obstinate, obstinate หรือเด็ดฟูนั้นก็มีความหมายว่าดื้อรั้นดันทุรังครับกระด้านกระเดืองปากแข็งทีนคราบเราจะดูกันนะในรายละเอียดว่า <c oughs> คนเขา่าคนมักร เ, เยอะและคนโง่คือเขามีลักษณะเป็นยังไง คนเขานั้นเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็หลงเชื่อในสิ่งต่างๆโดยไม่ตรวจสอบโดยไม่ฟังรอบข้างโดยไม่มีวิจารณญาณพวกเขานั้นอาจจะเป็นคนที่มีไอคดีครับนะแต่ว่า <c oughs> เลือกที่จะไม่ใช้ไอคเหล่านั้น <c oughs> เขาเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายถูกนำให้หลงผิดไปได้ง่าย ให้เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับคนพวกนี้ก็จุงนะครับถูกจุงจมูกได้ง่ายอันนี้เป็นประเภทแรกครับก็คือคนเขาประเภทที่สองครับก็คือ scorers หรือ mockers ภาษาไทยแปลว่าคนที่ชอบเยาะเ ย, ะเยะ้ยในพจนานุกรมนะครับแปลว่าคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่ชอบเยาะเย้ยคนอื่น คนที่ชอบอยามน้ำหน้าคนอื่นคนที่ชอบลบหลู่คนอื่นสอบประมาทดูถูกดูแคลนคนอื่นรังเกียจเดียดฉันแบ่งพรรคแบ่งพวก <c oughs> เหยียดสีผิวเหยียดยามพวกนี้นะครับก็คือพวกสกอ n ์เนพวกสกอ n ์เนอร์นะครับในพระคัมภีร์สุภาษิตเนี่ยพูดบ่อยพูดมากเกี่ยวกับพวกเขานะคนพวกนี้นะครับมีความ มุ่งมั่นดื้อรั้นในการที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมุ่งมั่นดื้อรั้นในการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกไม่ต้องคนประเภทที่สามครับก็คือคนโง่คนโง่นั้นภาษาอังกฤษใช้ว่าอ b s t i n a เนตอ s t i n ินเนตนั้นมีความหมายนะครับใกล้เคียงกับ สคอนเนอรสก็คือเป็นพวกที่ดื้อรั้นดันทุรังนอกจากดื้อรั้นดันทุรังนะครับเป็นพวกที่ไม่เชื่อตั้งใจที่จะไม่เชื่อครับเรื่องของพระเจ้าฉันไม่เชื่อเรื่องพวกวิญญาณสุดฉันไม่เชื่อเรื่องที่ฉันต้องอ่านท่านคัมภีร์ทุกวันฉันไม่เชื่อพวกนี้ครับเป็นพวกที่ดื้อรั้นดันทุรังกระด้านกระเดืองต่อคําสอน และปากแข็งด้วยครับแล้วภาษาอังกฤษเช็คว่าดอกแมจิกดอกแมจิกก็คือว่าเป็นพวกที่ยึดหลักการมากจนเกินไปนะครับหัวชนฝาพี่น้องครับนี่คือความหมายของคนสามประเภทที่ต้องกับใจใหม่ขณะที่คนโง่โดนหลอกง่ายคนเขาโดนหลอกง่ายนะครับซิมโฟนั้นโดนหลอกง่ายเพราะพวกนี้อินโนเซนต์ครับ แล้วก็ไม่ใช้ไ q คิที่พระเจ้าให้มาอย่างเต็มที่ในขณะที่คนมักเยอะเย้ยนั้นก็คิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและหัวเราะเยอะนะครับดูถูกคนอื่นหัวเราเยอะใส่สิ่งต่างๆที่มีความสำคัญจริงๆโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นสาคัญนะครับคนที่ดูหมิ่นก็ใส่เสื้อผ้าของการเยอะเย้ยครับใส่เสื้อผ้าของผู้ที่มีตาแหน่งสูงมีประสบะการณ์สูงนะครับ ในขณะที่คนโง่ครับ the fools เป็นคนที่ไม่รู้ความจริงดื้อดึงที่นะครับปัญหาของคนเหล่านี้นะครับบางคนก็อา จ, จะมาจากพวกไอคิวต่ำหรือการศึกษาต่ำแต่หลายได้คนนะครับก็ไอคิวสูงครับแต่เนื่องจากว่าอุปนิสัยของความดื้อรั้นที่จะตต้องกลับใจใหม่หรืออุปนิสัยของคนที่ไม่ยอมใช้ไอคิวที่พระเจ้าให้มาและอุปนิสัย ของคนที่ดื้อรัน้นดันทุรังชอบตำหนิคนอื่นเนี่ยครับพวกทพวกนี้ปัญหาของเขาคือเขาขาดความกระตือรือร้นและขาดความปรารถนาฝ่ายวิญญาณที่จะแสวงหาและค้นพบพระปัญญาของพระเจ้าพราะเจ้านัของพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญานั่นหมายความว่าเขาจะต้องรู้ตัวก่อนครับต้องรู้สึกตัวก่อนว่าตัวเขานั้นเป็นคนเขา่าเป็นคนมักเลาะเยะ้ยและเป็นคนโง่ เขาถึงรู้จักตัวเองและเขาจะคนพบพระปัญญาของพระเจ้าได้ด้วยการทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าคนโง่ น, นั้นชื่นชมกับความโสดเขาของตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเขากลับใจใหม่เขาก็จะได้รับและการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พวกเขานั้นไม่ยอมกลับใจเพราะว่าพวกเขานั้นไม่รู้ว่าตัวเองนั้นโง่เขาขนาดไหนเป็นคนชอบเยอะเย้ขนาดไหน มุมมองของคนโง่นะครับมักจะเกี่ยวข้องกับวัตถุนิยมมักจะเกี่ยวข้องกับยศถาบรรดาศักดิ์มักจะเกี่ยวข้องกับเงินทองทั้งหลายนะครับและมนุษยนิยมแนวคิดแบบมนุษยนิยมนะครับเกี่ยวข้องกันแน่นอนพวกเขาเกลียดความรู้ที่มาจากพระเจ้าครับความรู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองความรู้ที่จะต้องปรับมุมมองและทัศนคติของตัวเองเชียอใหม่ให้สอดคล้องกับพะจนของพระเจ้า และคนเหล่านี้นั้นไม่ค่อยมีความสนใจในสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าครับมักจะมีความสนใจกับวัตถุนิยมและโลกนี้ไม่สนใจในสิ่งต่างๆที่เป็นวิรันองครับผมอยากจะสรุปนะครับนี่คือทางเลือกนี่คือหนทางแห่งการกลับใจใหม่นะครับทางไหนก็ตามที่เราเลือกเราต้องรับผิดชอบและเราต้องรับผลของการเลือกนั้นครูที่ฉลาดจะนาเรากลับไปสู่ สติปัญญาครับการเลือกระหว่างอุปนิสัยที่ฉลาดและอุปนิสัยที่โง่เขาเลือกระหว่างพฤติกรรมที่ชอบธรรมและพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชั่วร้ายมีผลต่างๆที่ทําให้ความคิดของคนนั้นสับสนวุ่นวายคนงงโง่ก็โง่โดยความผิดของเขาเองครับไม่ใช่โดยการกําหนดจากใครปัญญาก็หัวเราะนะครับหัวเราะความหายนะของคนโง่ในข้อที่ยี่สิบหกนะครับพี่น้องครับ ไม่ใช่ว่าเพราะปัญญาโหดร้ายแต่มันไร้ความหมายที่จะเลือกตามคนที่โง่เขลาเบาปัญญาและคนที่มักเหยาะเ ย, ย้ยพี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบสามนะครับเป็นคําเชิญชวนของปัญญาก็คือว่าจงมาสนใจในคําตักเตือนของเราแต่นี่เนี่ยเราจะเทความคิดของเราให้เจ้าและจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้าพี่น้องครับสนใจคําตักเตือนของพระเจ้าสนใจคําตักเตือนจากพระคำของพระเจ้า และพระเจ้าจะเทความคิดสติปัญญาของพระองค์ให้กับเราเทถ้อยคำของพระองค์ให้กับเราอาเมน